de la ยังเส้นไหนพี่ทัศเส้นหลังนี้บ้างพี่ทัศะอยู่ตรงไหนนั่งลงไปสังฆทานยังถวายได้นะครับถวายมาถวายเข้ามาเรียบเลยนะครับรีบรีบเข้ามาเลยสังฆทานจะถวายได้อยู่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 ปยะที่ยังเดินอยู่นะครับนั่งให้หมดนะครับ เออญาโยมหาที่นั่งอะไจ๊ะตรงไหนก็นั่งได้โยมแต่นั่งทับคนแล้วกันนะเออนั่งเยอะเริมๆนั่งก็นั่งได้อ่อตอนนี้ไปก็อขอแนะนำการเป่ายานก๊อฟเฟต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 เวลาตายใครจะเห็นตายแล้วเวลาตายจะมียันติดกระโลกทีษะสถ้ามีบุตรเด็กคันถ้านาทูปเทียนโฉชาเพื่อลูกเด็กคันหนึ่งชุดอย่างนี้เมื่อลูคลอดออกมาจะมียันสีแดงบ้างสีเขียวสีน้ำเงินบ้างแล้วก็สีแจมอ่างนั้นบ้าง แต่ว่าันนี้ก็ไม่แน่นอนนักบางคนอยู่ได้แค่เจ็ดวันก็จะหายไปในตัวเด็กบางคนอยู่สองสามปียันยังฟองอยู่รวมว่าถ้าพ่อแม่ปฏิบัติ ด, ดีลูกก็ยันติดด้วยถ้าพ่อแม่ปฏิบัติไม่ดียังก็ไม่ติดลูกยันของมันได้ยากโยมพุทธศาสทุกคนเวลารับยังก็เพลิดเพแล้ว จงเข้าใจว่า น, นี่คือคุณพระพุทธเจ้าให้นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นปกติเพราะเวลาเป่ายันคำว่าเป่ายันเป็นคำทศัพั์โ บ, บราณจริงๆแล้วเป็นคําต้องใช้สับว่าคาอรัตนาพระพุทธเจ้านั่นเองเวลาเป่ายันอรัตนาราพุทธเจ้าจะต้องได้ที่กุญาน คนที่เป่ายันนี่นะจะต้องได้ทิพย์พุยานสามารถเห็นพระพุทธเจ้าได้เห็นพระบัจเจพระพุทธเจ้าได้เห็นพระอรหันติปานไปแล้วได้เห็นพระพรเทวดาได้เวลาละธนาจะต้องเห็นพระพุทธเจ้าทุกๆองค์พระบัจเจพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ ว่าราหันทั้งหมดเทวดากรรมทั้งหมดทั้งมาอันดับทานท่นจะเป็นแสงลงมาที่เจ้าว่าชับพังฆ์ศีลมีหัวประการไม่เฉพาะที่นั่งที่นี่นะทุกคนที่รับที่บ้านได้ไว้กันหมดทั่วจักรวาล น, นี้แล้วต่อมาข่้นสุดท้ายจะต้องเห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นแก้ว และแท่งกบเป็นแก้วคุมทุกคนหมายความว่าแต่ละคนจะมีพระเจ้าคุมบทดอย่างนี้ชื่อว่าจบวิธีเป่ายันฉะนั้นขอบนุญาาพระพุทธิษันาทุกท่านตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจงมีความรู้สึกว่าเราอยู่ในการคุ้มครองพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงคุ้มครองเราคื อ, ค, อคุ้มเราอยู่ถ้านึกถึงอย่างนี้อยู่เสมอทุกคนจะปลอดภัยให้จะมีลาภมากเมื่อตายจากความเป็นคนบาปจะตามไม่ทันอย่างน้อยจะไปสวรรค์ก่อนอันนี้ก็จงอย่าลืมว่าสิ่งที่ท่านห้ามนั่นคือต้องไม่รักใครขมวไม่คุยโกงใครเขา การที่สองต้องไม่ดึงสุราทำอะไรโดยไร้ประโยชน์นนมันหมายความว่าไม่ป่วยไข้ไม่สบายถ้าป่วยไข้ไม่สบายเป็นโรคจะจำต้องเป็นใช้กระสัยเล้าเอาเล่าเป็นกระสัยยาอย่างนี้ทรงอนุญาตถ้าไม่กินกับยาแม้แต่เจิบนิดเดียวพระพุทธเจ้าจะไม่อยู่ด้วย แล้วก็เวลาที่เป่ายัานอาณาพระขอให้ทุกคนภาวนาว่าพุโทโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโธถ้าใจดีอจิตอาตาจับภาพพระพุทธเจ้าพระตรูปองนี้นะจำภาพท่านให้ได้แล้วก็หลับตา น, นึกถึงท่าน รูล้ลมหายใจออกหายใจเข้านึก็พุทธใจอ้ออกนะกวโทรถ้าจิตฟุ้งซ่านไม่สามารถจะจับภาพได้ก็ไม่เป็นไรภาวนาว่าพุทโธก็แล้วกันรู้ลมเข้าลมออกถ้าบอกว่าจบก็ถือว่าเป็นการจบครั้งแรกในการเป่ายันก็เพชดต่อไปก็จะต่อได้กระถามอาหารลาบ คาถามาหาราดเนีคัดมาจากกระถาเงินล้านญาติโยมพุทธริษตรกลับไปบ้านใช้กะถาเงินล้านบูชาพระคืนละสามจบบ้างห้าจบบ้างเจ็ดจบบ้างก็ตามใจเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนกันถ้าสามจบก็สามจบทุกคืนห้าจบก็ห้าจบเหมือนกันเจจบก็เจ็จบต่อไปอย่างนี้ ท่านจะมีลาบสการะเสมอถ้าไม่อยากให้เงินขาดกระเป๋าเ็ามีเงินมากๆเวลาที่ได้สตังมาเวลาใจเจ็บเงินเอาเงินเข้าที่เจ็บทำมือกบไม่ก่อนจะเ่าปล่อยว่ากระถทเงินล้านสามจบห้าจบไปเจ็จบทันที่บูชาพระแล้วก็ปล่อยมือ ในเวลาที่ปล่อยมือจะใช้เวลาจะใช้เอามือจับเงินก่อนจะก้งนับว่าสามจบห้าจบวิเจจบจบันท่บุชาพระแล้วามานับถ้าเกินเวลาจะคืนเข้าไปก็ต้องว่าตามนั้นอย่างนี้ทุกคนไม่ช้าจะมีเงินขังตัวมากจนก็ทั่งเป็นมหาเศรษฐี แต่สำหรับวันนี้ก็ถามหาลาบจะให้โยมภาวนาด้วยอาตมา จ, จะช่วยด้วยให้ภาวนาว่ามหาปุญโย ม, มหาลาภะวันตุมเมมหาปุญโย ม, มหาลาภภวันตุมเมนะเอาไว้ตอนท้ายนะตอนนี้ทุกคนรับสิ่ก่อนอาตมาตาาเแ็นกรรมฐาน <c oughs> นัโมทัศ ภะวะโตอระหะโตสมมาสัสวะโตอมมาสุทัสสโมทัสสะภะวะอระหะโตสมมาสมุทัสสโมทัสสะภะวะอระหะโตสมมาสมุทัสส อุทังสระนังขจามีธรรมงสระนังขจามีสังขังสระนังขจามีทุติยัมปีอุทังสระนังขจามีทุติยัมปีธรรมงสระนังขจามี ตัทยัมปีสังขังเสระนางขจามีตัทียัมปิอุทังเสระนางขจามีตทียัมปิธรรมังเสระนางขจามีตัทียัมปีสังขังเสระนางขจามี ปัญาติปัญตาวีระมณีชิกขาวะทังสมาธียามีอัคินาถานวีระมณีชิกขาวังสมาธียามี บัมเบสุวิชาจาราวีรัมณีชิกขาวัาังสมาธิยามีมหสาวาดาเวรัมณีชิกขาวัาังสมาธิยามี สุราเมระยะมจพมาตธานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธียมิอิปานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนสุขติมยันติ สีเลนะพุกสัมมาทัสีเลนะนิุติงยันติทัสมาสีลังวิโสตจีตอนนี้ไปเขาใหโจบทั้งหมดวันโมสาจบร้มกันไปสม า, ามมทานกรรมฐาน ทิมหังพกวาอจัพวังตุมหาังปริจชฉามิข้าจะสมเ็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิตแด่ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งนี้ผูะว่าการภาวนาพุทโธเป็นกรรมฐานนิย่าจุ่มนะตอนนี้ก็เริ่มปฏิบัติได้ภาวนาพุทโธนะให้ใจเข้านึวยกับพทธเจ้าออกด้วยพทโธจนกว่าจะบอกว่าเสร็จแล้ว ตอนนี้ถือว่าจบในการเป่าอยางกบเพชทขอชมเชยบรรดาญาโ ย, ยมพุบริษัทส่วนใหญ่มากมีกระแสจิตปองใสดีเหลือเกินถ้าอย่างนี้ก็พัฒนาสําเร็จทุกอย่างต่อไปก็เป็นคาถามหาลาภให้ตั้งใจว่าภาวนาภาวนาว่าหมหาปุญโยหมหาลาภโพภวันตุมเมนะ มาหาปุญโยมหาลาปโูประวันตุเมื่อเช้าไปจะหมดเวลาเริ่มได้ใช่ไอ้ท่านขอนมีราภเสมอเสมอนะ ขอระยะ zoom ือไปการเสกพิธีนะขอความสุขความเจริญความปรารถนาสมหวังตงมีระยะ z โย m ทุกคนนะต้งมีแต่ความร่ำรวยความไขยข้องใดๆจงอย่ามีปรารถนาข่มใจไม่ได้กระชั้นทกความปรารถนานั้นจ้ะอันนี้ฉันก็เป็นไข่พูดมาเคยไว้อ่ะของหลัง ญาติะะโยมที่อยู่บนทางเดินทั้งหมดนะครับลุกได้เลยนะครับจะทําบุญกับพระออกจากสมาบัติกระตังใส่ขันได้เลยนะครับขันทุกทุกไปสายได้หมดนะครับสายได้เลยครับสายได้เลย ข้าใส่ได้เลยครับเข่าแถวเข้ามาเลยครับตะตังใส่ขันได้เลยครับใส่ได้ทุกขันนะครับใส่ได้ทุกขันออกไปเลยออกไปเลยส่งมาครับงไปออกไปเลยออกไปเลยออกไปเลยไมเอาไม่อีกไม่เอาไม่อีกแม่เอาไม่เอามาอ้าวรวยรวยอวย ใส่ได้เลยนะครับใส่ได้เลยเลยราบากลเราวมาใส่ได้นะครับใส่ที่เจ้าหน้าที่ใส่เลยแคลูกไงก็ได้ไงใส่ลูกไหน เข้ามาได้เลยครับเข้ามาได้เลยใส่ขันไหนได้ทั้งนั้นครับสต่างเตรียมให้พร้อมเลยเลยเลยจ้ปล่อยคฮะปล่อยเข้ามาเลยครับปล่อยมาเลยปล่อยมาเลยครับตอนนี้ปล่อยเลยครับเลยครับตรงไหนก็ได้อ้าวเลยเจ้เข้ามาได้เลยนะครับสต่างเตรียมอะไร โยงใส่ได้นะครับขนไหนก็ได้สาตังเตรีมให้พร้องฟังไว้สักก่อนฟังไว้สักก่อนนะครับแล้วใส่ขนไหนก็ได้นะครับเหนารวยอยู่เลยรวยนะจ๊ะขอให้โชคดีมีสูงน้าเอาแอบดูสักหน่อยแอบดูสักหน่อยก่อนเหนารวยเราฝากอยู่เลยครับใส่ขนไหนก็ได้ ทำบุ ญ, <า>บญเอาทำนะบุญเอาอานิสงส์เต็มที่เลยนะครับพระออกจากสมาบาร์ได้ผลเร็วใช่อานิสงส์เต็มที่ครับใส่ขันไหนก็ได้ใส่ขันไหนก็ได้ครับเอาเต็มที่เลยครับเดี๋ยวขันนี้บุนเดี๋ยวจะได้เปลี่นได้เอเอ เต็มที่เลยนะครับใครก็ได้ครับเอาเต็มที่เลยครับเดี๋ยวผ่านนิดนะครับเหนาเลยเลยเลยนะจ๊ะรอยโชคดีมีถุงนะเอาแอบดูสหน่อยแอบดูสัหน่อยก่ ย, ย, ยเราฝเลย